ตอนสภาวะแห่งธรรมในธรรมกาบน้ำสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไม่ชีกัละยามิตรทุกคนตั้งสบายสบายเนาะก็เป็นทุกคืนวันเสาร์ก็มีบางคำถามแก้วทิพย์เขาจดให้เมื่อกี้เนี่ยก็พวกครูต้องการคำถามนะพอพูดมาหลายปีแล้วพูดเมื่อไหร่ก็ธรรมะอันเดิมธรรมะไม่มีอะไรเยอะหรอก ไอ้ที่เยอะคือปรุงแต่งบรรยายเล่านิทานรมเพื่อคึกคืนสนุกสนานอันนั้นก็ได้ผ่อนคลายบ้างแต่บางทีก็เข้าใจมันไม่เข้าจิตสมองรู้แต่จิตไม่รู้แล้วก็วางไม่ลงเหมือนเก่านะก็เอาเวลาชีวิตเรามันสั้นเหลือเกินก็เอาเนื้อเนื้อก็บางทีพระครูพูดธรรมะ ก, กลางๆบางคนก็บังเอิญได้ประโยชน์เพราะติดบ่วงติด ติดความสงสัยตรงนั้นแต่บางคนก็ฟังมามากๆแล้วนะถ้าเราช่วยกันถามมาเนี่ยก็ตอบตรงประเด็นจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะก็ก่อนที่จะตอบคำถามนี่ก็บอกให้ทุกคนรู้ว่าแดนแห่งบิมุิหสถานนะคือหนึ่งการฟังธรรมสองการแสดงธรรมสามการสายทยายธรรมสี่การตึกตรองพิจารณาธรรม ห้าการทํากรรมฐานนะนี่คือแดนไหนมแต่ตอนนี้เราไม่อยากฟังทําเบื่อเบือ่อนะขี้เกียจฟังนะแต่ถ้าฟังคอนเสิร์ตฟังทอกโชว์นะแม้กระทั่งเสียตังค์ไปยืนเรียงแถวฟังก็เอามันมันกลับกันนะกลับหัวกลับหางที่บอกว่าเป็นยุคที่เห็นโกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบชอบจะเรื่องสนุกสนานฟังแล้วได้อะไรนะ ได้อาอาหารให้กิเลสกลับบ้านไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยนะมันมันเสียเวลาชีวิตก็ฟังทำบางทีเราชอบไม่ชอบกระชั้งเราได้ฝึกอะไรฝึกขันติบางคนขันไม่ขันตินะมันขันแตกก่อนนะก็เราพลาดโอกาสก็เสียเวลาเหมือนกันแทนที่จะเปิดจิตเปิดใจทําใจกลางๆฟังก่อนอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆบางทีติ้งเดียวนะ ตลอดชีวิตเราบางทีปัญหาค้างคาใจเราหลายชาติอ่ะฟังทีเดียวปิ้งเดียวมันก็ปลดปมตรงนั้นนะก็เข้าประเด็น<ม>นะเพราะเทวดาเขาเตือนอยู่รีบรีบรีบตอบแล้วก็เราได้ปฏิบัติกันก่อนจะนอนนะเออทำอย่างไรดีจะนอนตายให้นิ่งไม่คิดอะไร เขาคงหมายถึงตอนเช้าที่เราฝึกมรณานุสตินะจะนอนตายให้นิ่งไม่คิดอะไรก็อย่าคิดอะไร <c oughs> <c oughs> ก็แค่ไม่คิดเฉยๆนะง่ายมากที่บอกว่าอยากเลิกบุหรีก็อ้าปากอยากเลิกเหล้าก็หูปากซะง่ายมากตรงๆใช่ไหมทำยังไงไม่ไม่คิดก็อย่าคิดนะ มันไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ทีนี้กิเลสเราไม่ยอมกิเลสคือความเคยชินเราฝึกให้เราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่มันก็ต้องคิดนะคิดดีก็พูดดีคิดไลยก็พูดไล่นะมันมันไปนคิดคิดตามอารมณนะ์เราทำอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นคุณคือสิ่งที่คุณทำนะเ ป, นเป็นผลกรรมทั้งนั้นแหละเราก็รู้ว่า เราคิดบ่อยๆนะทำอย่างไรใช่ไหมอย่าไปคิดตามมันอย่าไปห้ามมันมันเป็นผลของกรรมที่เราฝึกให้เราเป็นนักคิดเขาก็ต้องคิดปล่อยเขาคิดไปเลยเราอย่าไปคิดตามเขาตอนที่เราฝึกนอนตายนะสมาธิตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกับผ้านอนตายไม่ใช่ท้านอนหลับนะนะออถ้าท่านอนหลับเลยนะี่ยก็ดีเราเอายานอนหลับกินเหมืนก็ไม่คิดเนี่ยนะ มันก็ไม่คิดง่ายมากแต่เราไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะอย่าไปรังเกียจความคิดนะตรงใช้ความคิดนั้นเป็นครูนะตรงใช้ความคิดนั้นเป็นครูมันไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้แสดงว่าเราเบื่อเบื่อที่เราคิดด้วยถ้าเราเบื่อความคิดแสดงว่าเราเบื่อตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนคิดไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะเอาความคิดนั้นเราเป็นครูเป็นฐานที่ตั้ง แห่งการสอบสติสอบปัญญาเราว่าเรารู้เท่าทันมันไหมไม่มีของเสียนะนั่นแหละความคิดก็เป็นฐานายุบหนอพองหนอขวาหนอไส้หนอก็ตเป็นฐานเป็นฐานที่เราต้องสร้างขึ้นมาด้วยอันนี้ไม่ต้องเลยมันคิดปุ๊บเรารู้เท่าทันมันเห็นไหมเหมือนเราฝึกยิงเป้าบินเขายิงปุ๊บเราก็ยิงเลยเรารู้เท่าทันปุ๊บไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินแต่ถ้าเราเผลอปุ๊บ แล้วก็ไปคิดร่วมกับมันนะคำถามก็คือคาถามก็ตามมาทำไมทำไมทำไมอย่างไรนะคิดสับสนคิดกังวลคิดห่วงใยคิดว้าวุ่นคิดแล้วก็กลัวคิดแล้วก็ลังเลสงสัยนะก็ความคิดเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างกรรมอย่างหนึ่งคือมโนกรรมคนเราสร้างกรรมเราต้องรับผลของกรรมนั้นแต่ถ้ามันคิดปุ๊บ เราอย่าไปสนใจมันเราไม่มีเจตนาปุ๊บเนี่ยมันเป็นแค่กิริยาของการคิดกำชี้เจตนานะถ้าเรามีเจตนาคิดร่วมกับมันเลยเลยเนี่ยมันเป็นเป็นแฝงด้วยตัณหามันก็มันก็คิดอะไรมันก็บันทึกสัญญาใหม่คิดร้ายก็บันทึกสัญญาลายคิดดีก็บันทึกสัญญาดีก็กลายเป็นขยะต้องมานั่งเวียงทิ้งมันอีกนะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะ ถ้าตอบไม่ง่ายนะคือทำอย่างไรดีจะนอนตายให้นิ่งไม่คิดอะไรก็ทำให้ตัวเองเป็นพระอรหันต์เร็วๆความคิดเป็นปกตินะเพราะเราฝึกมันมาเองข้อสองคณะที่ยืนเพื่อทำจิตให้ว่างแต่ร่างกายกลับขยับและเคลื่อนไหวเวียงโดยจิตแต่กายฝืนไม่ได้ จะทำอย่างไรดีใช่ไก็ทำใจนะก็เราสร้างแรงเวี่ยงให้มันแล้วแล้วก็ไปติดแรงเบี่ยงตรงนั้นนะพะจิตมันเวี่ยงแล้วมันมีความสุขมากมันอิสระตอนนี้ถ้าเรานิ่งปุ๊บเรามีสมาธิมันจะเวี่ยงทันทีเลยนะแต่เราต้องรู้กาละเทศะเราต้องฝืนมันผู้เจ้าตอบว่าพระวงคงตัดว่าบัมพชิตไม่เสพส่วนสุดตรงสองส่วน ระหว่างข้างนอกกับข้างในข้างนอกเราติดความคิดคิดตื่นเช้ามาก็คิดคิดคิดคิดคิดส่งออกความคิดเป็นเครื่องมือในการส่งออกนั่งอยู่เฉยเฉก็คิดถึงอนาคตชั้นต่อไปชั้นจะไปทำอะไรนะนึกถึงอดีตเห็นไหมความคิดทำให้เราส่งออกเป็นเครื่องมือเราก็ไปหลงไปสุดตรงข้างนอกก็คือความคิดพอเข้าไปในจิตก็ไปหลงอารมณ์ในจิตนะ ถ้าคนเราฝึกจิตนะไม่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นโดยเฉพาะเรายังไม่แข็งแกร่งยังเด็กๆต้องพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ก่อนเห็นไหมพอมีมนุษย์ต่างดาวมาหรืออะไรแปลกๆมาเขาวิ่งไปกอดคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่เลยเขารู้สึกเขาปลอดภัยเพราะเขาศรัทธาในพ่อแม่เขาเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ทํำร้ายเขาแน่ๆเขาก็รู้สึกอบอุ่นเรายังไม่แข็งแกร่งเราต้องศรัทธาครูบาอาจารย์ ไม่งั้นใครเตือนสติเราก็ไม่ตื่นเราจะไปหลงอารมณ์นั้นบอกเวียงทิ้งเบียงทิ้งะอะไรจะเบี่ยงทิ้งมหัศจรรย์มากฉันมีความสุขมากเนี่ยเหมือนเราหนีเข้าไปในฌานนั่นแหละติดสุขในฌานนะ่ะฉันสุขดีๆแล้วเนี่ยทาไมบอกว่ามันไม่ดีเห็นไหมครูบาอาจารย์เกิดบอกติดสุขในฌานนะ่ะมันจะไปไหนมันก็เสียเวลาชีวิตเราไม่ฟังเพราะเราไม่มีศรัทธาถ้าเรารู้เราก็ไม่หลง คำว่าหลงก็คือผู้ไม่รู้นะแหะถึงจะหลงแล้วก็ไปหลงติดอารมณ์นั้นเราสุดตรงข้างในแล้วนะข้างในก็ต้องไม่ติดข้างนอกก็ไม่ต้องติดอย่างเวอร์ชั่นเช้าสายบ่ายเย็นเราทำเป็นอุบายวิธีเป็นเทคนิคนะให้จิตเราล่วาเวลานี้เนี่ยเราต้องทำอะไรในทางโลกเขาเรียกว่าคุณต้องรู้กาลเทศะในทางธรรมคุณต้องรู้หน้าที่คุณ ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะตอนนี้เขาให้ยืนเฉยๆแต่เราไปหมุนเพราะว่ามันสบายดีมันสนุกดีเห็นไหมไอ้ตัวจิตนั้นถือว่าเป็นตัวสั ญ, ญลักษณ์ของปัญญาตัวกายเนี่ยสติมันเกิดขึ้นอยู่ที่กายอยู่ข้างนอกสติปัญญาต้องไปด้วยกันบางคนฝึกสติอย่างเดียวจับสติแน่นๆเลยไม่เกิดปัญญา ไอแนวที่เราทำเนี่ยมันเข้าไปในจิตเร็วมากปัญญามันเกิดขึ้นเร็วมากต้องระวังไม่มีของดีวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งดีอย่างเดียวในความดีนั้นมันจะมีความชั่วลายแฝงอยู่ในนั้นทุกอย่างมันเป็นของคู่นะของเราเรื่องระวังเราจะไปหลงปัญญาสติมันไม่ทันเนี่ยเวอร์ชั่นทั้งสี่เนี่ยเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยเราเปลี่ยนทุกอารมณ์นะเสียงดังเงียบ อยู่เฉยๆเคลื่อนไหวเห็นไหมแล้วเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมทําให้จิตเราเนี่ยแล้วการฝึกจิตเนี่ยให้จิตรู้เท่าทันเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยหน้าที่เราเนี่ยต้องฝึกจิตให้รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราทําตามใจเราตอนนี้ญาติที่ทหลายคนนะฝึกมาตั้งนานแล้วก็ปึ๊บหนีเข้ามาในจิตเพราะเบื่อข้างนอกแล้วก็ไปหลงทั้งใน นะอันนี้เดี๋ยวอีกสักคู่มันมี ม, นมันมันมีมันมีคำถามใกล้ๆตรงนี้นะเพราะครูยังไม่ไม่จะพูดหมดเอาเป็นว่าฝืนมันใช้สติคุมอารมณ์ของจิตเพราะจิตมันหมุนมันมีความสุขมากมันเป็นอิสระมันเบื่อข้างนอกแต่เราต้องรู้ว่าตอนนี้หน้าที่เราสมมติว่าเรามีหน้าที่เดินเดินอยู่ในเส้นเส้นสลิง ข้ามเหวเนี่ยนะคุณไม่ตั้งใจเดินอยู่นะคุณดูมันไปหมุนอนยะ่างเงี้ยเดี๋ยวคุณตกเหวตายเราต้องรู้กาละเทศะรู้หน้าที่เราเวลานั้นเวลาเรายืน อ, อยู่เฉยๆเราอยู่ในกายภาพเราอยู่ข้างนอกนะเราก็อยู่ข้างนอกเวลาเราไปข้างในเราก็ไปอยู่ข้างในอย่างมีสติรู้เท่าทันมันไม่ใช่มันลากเราถูรู้ถูกังเหมือนอยู่ข้างนอก เราก็ไม่ได้อยู่ปัจจุบันเราก็อยู่กับความคิดอีกความคิดมันก็ลากเราออกนอกร่างกายเห็นไหมอยู่ข้างนอกก็สุดโตง่งอยู่ข้างในก็สุดโตง่งเนี่ยพระเจ้าบอกถึงเดินทางสายกลางสายกลางคืออะไรสายกลางคือไม่ปฏิเสธข้างในและไม่ปฏิเสธข้างนอกรู้เท่าทันมันทั้งหมดแต่เรารู้ว่าเวลานี้เนี่ยหน้าที่เราอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราหน้าที่เราจเจริญวิปัสนา หรือเราเข้าไปในจิตในจิตเราก็ต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ข้างในนะไม่ใช่เป็นหลงอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์ไม่ใช่ไปหลงอารมณ์นะอันนี้ก็ถือว่าที่เราฝึกนี่แหละเออมันหมุนปุ๊บเรารู้ว่ามันหมุนปุ๊บเราต้องหยุดไม่ใช่เวลาหมุนเป็นเวลายืนหน้าที่เราคือยือนอย่างเดียวสมาธิต้องเป็นอย่างเดียวเอกะขะตารมมีอารมณ์เดียวคือนิ่ง ข้ามพ้นวิตกวิจารปิติแม้กระทั่งสุขก็ไม่เอาไม่มีอารมณ์เหล่านั้นมันเปียอย่างเดียวคือนิ่งนิ่งปาศจากอารมณ์นะถ้าเราไม่นิ่งวิปัสสนาจะไม่เกิดขึ้นเราจะไม่เห็นอารมณ์เรานะเมื่อเรานั่งดูทโทรทัศน์ก็คูบอกเรานั่งดูเฉยๆนะดูเฉยๆมันแสดงอะไรเรารู้หมดเลย แต่ถ้าเราไปเพ่งดูตัวแสดงนางเอกสวยมากพระเอกหล่อมากเราไปสนใจพระเอกปุ๊บเราพลาดโอกาสในการเห็นอารมณ์ทั้งหมดวิปัสนาจะไม่เกิดขึ้นนะก็ฝืนมันนะรู้ว่าเวลาไหนควรทำอะไรแต่แรกๆเนี่ยที่นี่อรุโรมนะคนมาใหม่ๆเมื่อจิตกำลังเหวี่ยงได้อยู่บางครั้งก็หลุดบ้าง ไปนั้นบ้างเราปล่อยก่อนให้ชำนาญก่อนแต่เมื่อชำนาญแล้วเราต้องควบคุมมันได้เราจะเข้าไปข้างในก็ได้เราจะอยู่ข้างนอกก็ได้คำว่าได้นะจานะคำว่าได้คืออย่าเสียอยู่ให้มันได้ถ้าอยู่แล้วไปหลงมันเนี่ยแล้วมันเสียเวลาชีวิตต้องอยู่ให้มันได้ไม่ใช่อยู่ให้มันเสียทั้งข้างนอกข้างใน ขณะเวียงหรือเต้นตามจังหวะถ้าใช้จิตกำหนดแรงที่ใช้พลังออกพลังออกไปจะทำให้ไม่เหนื่อยมากและพบว่าสามารถเต้นได้นานชั่วโมงจนถึงเกือบสองชั่วโมงอย่างนี้ถูกต้องไหมมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะ คำว่าคำถามนี่ถูกต้องไหมเพราะเรามีของคู่อยู่เรามีถูกต้องกับกับไม่ถูกต้องธรรมะไม่มีถูกต้องหรือไม่มีถูกไม่ไม่ถูกต้องไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดถูกผิดดีชั่วถูกต้องไม่ถูกต้องเป็นภาษามนุษย์และวิธีนี้มันไม่มีวิธีถ้ามีวิธีตายตัวแล้วเนี่ยคนนึงอาจจะทำถูกวิธีคนนึงอาจจะทาถูกวิไม่ ไม่ถูกวิธีอันนี้มันดําเนินด้วยจิตธรรมชาติของจิตนะมันไม่มีถูกก็ไม่มีผิดให้เรารู้มันเฉยๆเห็นไหมเรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าใช้จิตเต้นมันไม่เหนื่อยเต้นสองชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยถ้าใช้ใจเต้นอย่างเยาวชนเขาอายุน้อยกว่าเรานะเขาไปเต้นดิสโก้เทคอะไรเนี่ยเสียงดังเหมือนกันมันเต้นไม่กี่นาทีหรอกเดี๋ยวมันก็เดีง้งเขาใช้อารมณ์เต้น เขาใช้เจตนาไปเต้นเพื่อสร้างอารมณ์สนุกสนานเมื่อกบเกลื่อนความเบื่อของเขาตอนนั้นขาดสติพอชนกันปุ๊บตีกันฆ่ากันของเราก็เต้นเต้นโดยใช้สติใช้สมาธิไปเต้นเพื่อเอาอารมณ์ออกนะแล้วเต้นด้วยจิตเวทนามันเกิดขึ้นที่ใจนะถ้าเต้นด้วยจิตมันไม่มีเวทนามันเต้นเพราเต้น แต่ถ้าเต้นด้วยใจแล้วเนี่ยมันเหนื่อยที่ใจนะเวทนาเกิดขึ้นที่ใจอันนี้คือคำตอบว่าไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกแลแต่เราคนต้องไม่เหมือนกันนะทุกคนขอให้จิตดาเนินเนี่ยบางคนเขาเอาเทคนิคที่เขาคุ้นเคยเขาเต้นเต้นออกไปแต่เขาต้องรู้ตัวว่าถ่าในทางศาสนาในการฝึกจิตเรียกว่าอริยบทเต้นเนี่ยเรียกว่าอริยบทบับ ใช้อลิยบทของร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งแห่งการดาเนินแต่ของเราไม่ใช่ว่าแค่อลิยบทเฉยๆนะอลิยบทบากไปเลยเลยเนี่ยมันก็ยังแยกส่วนอยู่อยู่ที่กายภาพในขณะที่เต้นๆอยู่เนี่ยใครสั่งให้เต้นนะถ้าเราสมองสั่งเต้นขวาซ้ายหรือเราเต้นเนี่ยอันนี้มีการกำหนดอยู่อันนี้เราใช้อลิยบทบากนั้นน่เป็นการเจริญสติ แต่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นมหาสติปัฏฐานข้างในเป็นตัวสั่งเราต้องเข้าไปในจิตในจิตเสพธรรมในธรรมธรรมลมน่ยที่บันทึกเป็นกล่องโปรแกรมของเรานั่นเขารู้ว่ากายภาพเราเวลานี้ต้องใช้ท่าไหนนะมันสั่งกายแล้วก็จิตปัจจุบันก็รู้รู้กายเคลื่อนไหวมันก็บางทีเราก็เวลาเผลอปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกมันเหนื่อยอยู่ในใจมันเหนื่อยแต่เราไม่ไปติดเหนื่อยกับมันเราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับมัน นี่นคือเราเห็นกับเวทนาแล้วนะจิตเวลานั้นถ้าเราเผลอนะเราจะไปทุกข์กับการเหนื่อยแต่ถ้าเราไม่เผลอนะล้วก็เห็นมันเหนื่อยแต่จิตเฉยๆไม่ทุกข์อะไรเลยแล้วก็เข้าไปในธรรมในธรรมอีกไอ้ธรรมอารมณ์ในนั้นน่ะมันก็สั่งร่างกายเปลี่ยนท่าไปเรื่อยตามเหตุและปัจจัยเพราะร่างกายเราเวลานั้นนะ่ะแต่ละคนดินน้ำลมไฟมันไม่เหมือนกันใครรู้จิตของแต่ละคนรู้เองว่าร่างกายนี่คือเครื่องมือของเขา จิตปัจจุบันรู้เฉยๆว่าก็ทำอะไรเนี่ยเรากำลังเจริญมหาสติปัฏฐานคือกายเวทนาจิตธรรมรวมเป็นหนึ่งเดียวในขณะจิตเดียวนะข้อที่สี่ปฏิบัติมาตั้งนานแต่ยังเหมือนไม่ก้าวหน้าไม่เห็นอะไรมีแต่อาการเคลื่อนไหวทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีท ำ, รดทำใจอย่า้ากำไรเกินควร เราปฏิบัติมาถึงสามสิบแปดพันสามเหมือนอาจารย์มิโซไหมปฏิบัติแค่ไม่กี่วันเลยถามหาความก้าวหน้านะเอาเป็นว่าพยายามระวังตัวเองอย่าถอยหลังก็แล้วกันมันเห็นแค่คารเคลื่อนไหวนี่สุดยอดแล้วนะอยากเห็นอะไรเลย อ, อยากเห็นผีไหมอยากเห็นเปตอสุลกายไหมไม่มีเรื่องก็ดีแล้วอยากให้มันมีเรื่องเหรอ เห็น ไ, ไหมนี่คือความอยากไงเห็นแล้วยังต้องเสียเวลาต้องเวียงมันทิ้งอีกะจะไปเห็นทําไมเห็นมันเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวสิเห็นไหมคําว่าก้าวหน้าถอยหลังถ้าอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังถอยเข้าไปในจิตนะถอยเข้าไปในจิตบ่อยๆตอนนี้เราไม่ใช่เราส่งออกตลอดสร้างมโนโกรรมไปมองแต่คนอื่นเผลอๆมาไปว่าเขาอีกสร้างวัจีกรรมอีก เพอๆมาก็ไปตบมันอีกสร้างกายกรรมอีกแล้วมันจะไปไปก้าวหน้าได้ยังไงถ้าอยากก้าวหน้าจริงๆเนี่ยอันดับแรกเนี่ยต้องอย่าทาให้ตัวเองเนี่ยขาดทุนอย่าไปสร้างกำไ ร, รนะอย่าค้ากำไ ร, รเกินควรอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะบางทีเราไปเหมือนไม่เห็นอะไรเลยนะสะสมแต้มไปเรื่อยๆพอถึงเวลาแล้วเนี่ยจิตเขาจัดสรรเกาเรียกว่าธรรมะจัดสรร มันไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งอย่าไปเปรียบเทียบว่าเขาเห็นอะไร น, นี่เราอยากเห็นอะไรนี่ยนะอ อ, อยากไปนิพพานทําไมมันยังไม่ไปดูไหมเพราะมันติดตัวอยากนั่นแหละเบี่ยงตัวอยากทิ้งก็เป็นนิพพานไงเห็นไหมมันที่มันไปนิพพานไม่ได้เพราะมันมีตัวอยากดึงไว้ไงเบี่ยงตัวอยากทิ้งสนะนี่พานมันไม่ใช่อยู่โน่นอยู่บนเลยสวรรค์ไปอีกนะ โอ้สวรรค์ยังสูงเลยนิพานอยู่นู่นไม่กล้าคิดบางทีบางคนก็อยากไปอยากไปแต่ขี้เกียจปฏิบัติมีแต่อยากอยู่ตรงนั้นแหละวางตัวอยากซะแล้วก็ไปนิพานเลยมันติดตัวอยากเนาะมันถึงไม่ไปไงก็สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพานอยู่ในจิตนี่เองมันไม่ได้ไกลตัวมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวด้วยมันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้ว อยู่ที่ว่าใครจะขยันเดินเข้าไปหาเขาแต่อย่าพึ่งค้ากำไรเกินควรนะในขณะที่เดินทางอยู่เนี่ยไอ้กิเลสมันมันเป็นเครื่องมือของกรรมที่เราสร้างมาเห็นไหมเขาก็ต้องสร้างนิวรณ์ต่างๆนะเพื่อมาสอบแรา ว, ว่าเราจะเอาไปจริงไหมเหมือนเราจะผ่านด่านนี้เขาบอกว่าเธอตัดแขนมาให้ฉันก่อนเธอเป็นหนี้ฉัน ถ้าเรากลัวไม่สวยเนี่ยเราก็ไม่กล้าตัดเราก็ข้างไปไม่ได้ไงเ อ, อตัดไปเลยอยากไปมากเอาไปด่าเ น, น้นตัดแขนขวามาอีกกล้าตัดไหมไม่กล้าแขนกูเดี๋ยวกูไม่มีมือกินข้าวเนี่ยแล้วไปนี่ผ่านได้เลยยังกลัวตายอยู่เอาตัดแขนขวาตัดไปเลยพอไปถึงนั่นบอกเอาชีวิตเธอมา เธอเป็นหนี้ฉันเรื่องอะไรฉันกลัวตายแล้วมันจะไปนิพพานได้ยังไงเพราะเรายังมีความอยากไม่ตายอยู่ยังมีตัวคนที่อยากไม่ตายอยู่เราหลอกคนอื่นได้นะครูบาอาจารย์สอบอารมณ์เราก็สอบอารมณ์หยาบหยาไม่เฉยนะเราสอบอารมณ์ตัวเราเองนะในขณะที่เราเข้าไปในจิตก็จิตเดิมเราก็จมาสอบจิตปัจจุบันด้วยบางท่านนั่งยิ้ม น้ำตาไหลด้วยทั้งยิ้มทั้งน้ำตาไหลด้วยนะแสดงว่าน้ำตาไหลนั้นไม่ใช่โศกเศร้าเสียใจปิติวอกหมดเวลาแล้วไม่ยอมเลิกเพราะกลัวพระผู้เจ้าหายไปพุู้เจ้ามาอยู่ข้างหน้าเลยไม่กล้าเบี่ยงพุู้เจ้าทิ้งเห็นไหมเขาหลอกเรา จิตเขาสร้างนิมิตมาแล้วหลอกจิตปัจจุบันเวียงไหมเบียงผู้เจ้าทิ้งไหมเรื่องอะไรเวียงทิ้งเขาบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราเห็นตถาคตแล้วเลยเวี่ยงทิ้งได้ยังไงพ่อกมากราบพ่อครูเล่าพ่อครูยังร้องไห้ไปด้วยนะปิติมากเลยพ่อครูว่าตถาคตที่เราเห็นนั้นเป็นยังไงเหมือนพระพุทธรูปเลยบอกเคยเห็นเจ้าชายสิทธาไหมจิตมันหลอกเรา พระพุทธโอ๋งเองเนี่ยจัดไว้ว่าเนี่ยระหว่างทางเดินไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยฆ่าพราะองค์ทิง้งซะไม่ใช่พระกูนนะพูดนะผู้เจ้าไม่มาเล่นขายนมโคกแบบนี้หรอกนะบางคนบอกทําบุญทําบุญนะมีสนักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเมื่อวานนี้ใครเพิ่งพูดให้พระกูฟังนะเขาบอกว่าเขาเนี่สามารถสื่อพระพุทธเจ้าได้ต้องทําบุญผ่านเขาเนี่ยถึงจะสื่อถึงถึงเขาจะส่งไปให้ได้ ด็อร์วลพัทอะไรเนี่กระดาบตายเลยก็บอกผู้ทีเจ้าจะมาบิณฑบาตกัไอ้ไอ้ของของแบบนี้เหรอนี่แหละคือใช้อุบายอะไรก็ไม่ระวังไปทําให้คนนืวนหลงทางด้วยพผู้ทีเจ้าไม่เคยบอกว่าพึ่งพระองค์เลยนะเรายึดผู้ทีเจ้าเป็นสอนแล้วนะนะเพื่ออะไรเพราะเรายังเป็นเด็กเราเชื่อมั่นว่าผู้ทีเจ้าเนี่บรรลุธรรมจริงๆ ยึดเป็นแบบอย่างผู้เจ้าบอกอัตหิอัตโนนาโถตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่ไปกราบกราบกราบขออยู่นั่นแหละผู้โองค์ช่วยช่วยลูกด้วยเถิดให้ลูกบรรลุนิพพานด้วยเถิดแต่ขี้เกียจปฏิบัตินี่เนะอธิษฐานังนแสนชาติก็ไม่ได้ไปไหนผู้เจ้าบอกให้พึ่งตนเองแต่เรายึดพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสารณะนะเราเชื่อ ในพุทธบาลมีเชื่อในพระพุทธองค์บรรลุธรรมมาแล้วพระองค์ที่ทดลองทดสอบด้วยพระองค์มาจริงๆเราเป็นแบบอย่างที่เรากล่าวไหว้พระพุทธรูปเนี่ยไม่ในฐานะกล่าวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรากล่าวไหว้เพื่อระ ล, ลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสเพื่อยึดเป็นศารณะ เป็นบุคคลตัวอย่างเราเชื่อในสิ่งที่พระ อ, องค์ตรัสเราทำตามพระ อ, องค์พระ อ, องค์สอนแบบนี้พระ อ, องค์ไม่ได้สอนให้เราเป็นหลงกราบไหว้ใครกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วก็คิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาอครูถือว่าเราดูถูกพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยุคนี้เราศักดิ์สิทธิ์นะ ยุคนี้เรามีอิทติลิดนะมาจากกรุงเทพบินมาอุบลชั่วโมงเดียวเราห่อเหินเดินอากาศได้เราหูทิพนะเพื่อนอยู่ฝรั่งเศสคุยกันรู้เรื่องเราตาทิพด้วยญี่ปุ่นแสดงละครเรามองเห็นมันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาสอนพระองค์ทาให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเราทาจริงเรากราบไหว้ เพื่อเราลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากอิเลสเพื่อเป็นยึดเหนี่ยวให้เรามีความศรัทธามีความตั้งมั่นนะอันนี้คือผู้เจ้าบอกให้พึ่งตนเองนะถึงบอกว่าปฏิบัติมาตั้งนานแล้วกี่ชาติเพราะครูไม่ถามกี่ปีนะต้องถามว่ากี่ชาติ เราไม่ได้เล่นเกมชีวิตเดียวนะเรียนให้มันสูงสุดเป็นด็อกเตอร์แล้วก็หาเงินเยอะๆแล้วก็ไปสร้างฐานะแข่งกันแล้วก็เสพสุขแล้วก็ตายเราไม่ได้เกิดมาแค่นั้นเราเกิดมาเดินทางต่อเป้าหมายการเกิดคือเราเกิดมาเดินทางทางก็คือมรรคเป้าหมายคือพ้นทุกข์เราลงทุนมาหลายชาติแล้วเกมนี้เป็นเรื่องของหลายชาติไม่ใช่เรื่องชาติเดียว เราจบด็อกเตอร์แล้วรวยแล้วตายแล้วเกิดมาใหม่วันแรกก็แหกปากร้องก็มาเรียนใหม่กอไก่ขอไข่จนเป็นด็อกเตอร์แล้วก็ทำเรื่องเก่าๆมันไม่จบนะแต่ถ้าเราเชื่อฟังคำสอนพุทธเจ้าเราเกิดมาเพื่อเดินทางต่อเป้าหมายคือผลทุกเราลงทุนมาหลายชาติแล้วถึงบอกว่าฝึกมาตั้งนานนี่ยพครูถึงถามว่าคาว่านานนี่กี่ชาติ นะไม่ใช่ว่าฝึกมาแค่ห้าปีสิบปีสามสิบปีบอกนานแล้วเนอะมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องชาติเดียวพว่อครูเคยเจอคุณยายคนหนึ่งอยู่ในลัที่หนึ่งเขาถือศีลเข่งมากคุณยายทํางานหนักมากแต่ก็ไม่พ้นทุกสักทีวันนั้นบ่นกับพ่อครูเลยแกบอกชาตินี้ก็ที่จําความได้นะไม่เคยถิดศีลเลยไม่เคยทําชั่วเลยทําไมต้องเป็นโน่นเป็นนี่บอกคุณยาย อย่ามองเรื่องชาติเดียวนะเห็นไคุณยายอยาแกล้งลืมนะทำมาเยอะมากเลยเห็นไมพวกเราแกล้งลืมเท่นั้นแหละเกิดมาปุ๊บก็แหกปากร้องเลยอันนี้มันจำได้นะเด็กมันระลึกชาติได้นะมันจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีไรทุกทุกทีมันถึงร้องไห้ไงมันมีสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีไรทุกทุกที แต่พอโตขึ้นเขาใส่ชื่อให้เราใส่โปรแกรมความรู้ให้เรานะชีวิตต้องสู้แล้วสุดท้ายก็สู้ตายสู้จนวันตายนะแล้วก็สั่งลูกหลานก็ให้สู้อีกสู้ตา ย, ยางไงถ้าเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าต้องสู้ให้มันเป็นไม่ใช่สู้ให้มันตายนะตอนนี้สู้ตายหมดเพราะเราไม่รู้เหตุของการเกิดแล้วเกิดมาเพื่อเดินทางต่อ ส่วนเรามีอาชีพเนี่เป็นหนึ่งในมัดมีอง 8. แปดเราต้องมีสัมมาอาชีวะเราต้องมีสิ่งที่เลี้ยงชีพเลี้ยงร่างกายนี้ให้มันอยู่ได้เพราะจิตมันต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเดินทางเทวดาไม่มีกายทำไม่ได้อาชีพเป็นแค่หนึ่งในมัดมีองแปดแต่ตอนนี้เราเทให้อาชีพหมดเลยเก้าสกว่าเปอร์เซ็นต์สังเกตหมตอนนี้ชีวิตเราก็คืองานงานคือเงนินเงินคืองา น, งา น, งานบันดาศุข ต้องผ่านทำงานกว่าจะทำงานต้องเรียนก่อนหาวิชาเครื่องมือไปทำงานเรียนก็ทุกข์ก็แข่งขันทำงานก็ทุกข์ต้องแข่งขันแล้วค่อยเอาเงินนั้นมาซื้อความสุขอาชีพอาศัยยังชีพคืออยู่ได้ไม่ตายไม่ใช่ไปเล่นเกมรวยกันเราก็เสียเวลาชีวิตแทนที่จะเอาเวลามาเดินทางแต่การเดินทางนั้นอาชีพเป็นส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ทุกคนต้องมีสัมมาชีวะ แล้วสัมมาอาชีวะนี่แปลว่าอะไรทำไมเรียกว่าสัมมาสัมมาอาชีพอาชีพชอบต้องไม่มีผู้ใดเดือดร้อนต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นทำงานจนหามลุ่งหามเข้าไม่หลับไม่นอนเนี่ยไม่โกหกใครเลยพูดตรงๆนะมันของดีก็บอกว่าแพงของไม่ดีก็บอกว่าถูกแค่นี้เป็นอาชีพชอบไหมไม่เราเบียดเบียนตัวเอง มันไม่ชอบอาชีพชอบเนี่ยก็คือว่าต้องไม่มีผู้ใดเดือดร้อนและทุกวันที่การแข่งขันมันชอบไหมส่วนเราเป็นนักมวยนะ่ะขึ้นเป็นเวทีเขาไม่ชกเราเราก็ชกเขาไงเห็นไหมล่ะการชนะของเราเกิดขึ้นจากมีคนแพ้มันชอบไหมมันเกิดจากการเบียดเบียนและเบียดเบียนตัวเองด้วยส่วชกปุ๊บเขายกมือเราชนะเกือบตายเหมือนกัน อันนี้ไม่ถือว่าอาชีพชอบอาชีพชอบต้องไม่มีการเบี่ยดเบียนเกิดขึ้นนะก็ต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดมายิ่งยาวเนาะขอ้อที่ห้าสติปฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีอยู่จริงเป็นเพียงแห่งอาการหนึ่งของกระแสปฏิสุบุตรบาทเท่านั้น จริงหรือไม่อย่างไรส่วนมากเราชอบนักวิชาการหรือผู้รู้ก็ชอบอดึงภาษาตรงนี้มาเชื่อมโยงกันจริงๆแล้วธรรมะที่พระเจ้าแสดงเนี่ยไม่มีแม้แต่หนึ่งธรรมะเนี่ยไม่เกี่ยวเนื่องกันมันไม่ได้แยกส่วนกันอย่างชัดเจนเข้าใจไหมไม่ได้แยกส่วนอย่างชัดเจนอย่างมหาสติปัฏฐานเนี่ยมันลิงก์ระหว่างกายเวทนาจิตทารวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกัน เมื ask, kind of business, ่อกี้เขาบอกเขาไปเทียวกับปฏิสมุทบาทเนี่ยปฏิสุบทบาทก็สิบสอขั้นตอนเนี่ย l i n k i กันวิชาทําให้เกิดสังขารสังเกิดวิญญาณเนี่ยอันนั้นในแค่วิชาการเขาแยกเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นธรรมะย่อยออกมาแต่เขาก็ต้องลิง k ์กันมหาสิทธิปทานเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดกายเวทนาจิตธรรมไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ตอนนี้เราไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวเราแยกส่วน อยู่ในฐานกายเอามาเจริญสติเอามาฝึกสมาธิมันเป็นแค่อุบายให้เรารวมพลังนะเพื่อก้าวไปนะดึงเวทนาเข้ามาดึงจิตเข้ามาเข้าไปสู่ทำธรรมรมในนั้นละ่ะแล้วรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะอันนี้ก็ขั้นตอนมันก็เหมือนว่ากงล้อเล็กมันก็ไปขับเคลื่อนกงล้อใหญ่ปฏิสบุตรบาทกงล้อใหญ่ตัว น, นี้ก็ขับเคลื่อนวัฏฏสงสารด้วยเหมือนเรามีฟันเฟืองเริ่มจากอะไรไหม เริ่มจากขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างเขาด่าเรานี่คือรูปเสียงด่านี่คือรูปตามองเห็นรูปที่เราได้ยินเสียงนี่คือนามรูปเกิดปุ๊บได้ยินปุ๊บรูปนามเกิดแล้วก็ดับถ้าเราํำได้แค่นั้นน่ะรูปเกิดแล้วก็ดับขันห้าปรุงแต่งไม่ได้ แต่ตอนนี้รูปเกิดมันดา่าเราปุ๊บกระทบหูกระเทือนใจเลยเวทนาเกิดเวทนาเกิดปุ๊บมันก็บันทึกสัญญาใหม่ว่ามันด่าเราแล้วก็ไปกระทบสัญญาเก่าที่เราไม่ชอบถูกดา่าบันวีนขึ้นนะคือเป็นส ป, ปาร์กมันแต่ถ้าเราไม่มีสัญญาเก่านะเพราะว่าเราไม่รู้ภาษาเยอรมันคนเยอรมันมันด่าเราเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงเฉยๆแล้ เ, เกิดความรับรู้ตอนนั้นรู้สึก ว่ามันด่าเราแต่ว่าเราไม่เกิดเวทนาว่ารู้สึกชอบไม่ชอบเพราะเราไม่บันทึกสัญญาภาษาเยอมันเราไม่รู้เรื่องที่เรารู้เรื่องว่ามันด่าเราเพราะเราบันทึกสัญญาว่าภาษาอย่างนี้คือภาษาด่าแล้วเราบันทึกไว้ว่าเราไม่ชอบถูกด่าเวทนาเกิดสังขารเกิดมันปรุงแต่งบอกว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้ฉันต้องด่าไม่ไปคืนนภายในหนึ่งวินาทีเข็มวินาที แพ็กขันห้าปรุงเรียบร้อยแล้วครบองค์เลยวิญญาณ น, นักสู้เกิดขึ้นดามไปคืนเลยเห็นไหมเราสร้างกรรมเร็วไหมนี่คือขันห้าขันห้าเป็นฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองเล็กเนี่ยมันจะขับเคลื่อนฟันเฟืองใหญ่ปฏิสมบูรณบาทไปอีกแต่ถ้าเราตัดไอขันห้านี้ได้รูปเกิดดับปุ๊บเห็นไหมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปรุงไม่ได้ ฟันเพืองรอบใหญ่เนี่ยขับเพื่อนไม่ได้วัตฏะสงสารหยุดนะก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียเวลากับไ อ, ไอภาษาวิชาการนี้มากมายนะเรามาคุยกันพ่อสังเขปอยากรู้ปฏิบัติเยอะๆเข้าไปในจิตนะแล้วก็ใช้สติคุมอารมณ์มันให้ได้สติคุมปัญญาให้ได้สติปัญญาต้องไปด้วยกันบางคนหนักปัญญาแต่ขาดสติ เอาปัญญาตัวนั้นก็ไปสร้างกรรมนะไปเบียดเบียนคนอื่นบางคนมีแค่สติก็ไม่เกิดปัญญาหน้าดําำําเครียดกลัวไปหมดเอาสินคุมเรากลายเป็นหุ่นยนต์นะมันก็ไม่เกิดปัญญาสติปัญญาต้องไปด้วยกันนะอันนี้เราแยกเอาอุบายนั้นอุบายนี้ไปแยกส่วนเนี่ยมหาสติปัฏฐานมันก็ไม่เกิดขึ้นนะที่เราปฏิบัติอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเราพยายามบูรณาการระหว่างกายเวทนารวมเป็นหนึ่งเดียวนะ ส่วนไอ้ความรู้ทางโลกเรื่องวิชาการเรื่องประเพณีการปฏิบัติอะไรเนี่ยเป็นแค่เทคนิคอุบายวิธีเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลากับมันมากเราจะชอบทํำยังไงเราก็ทําไปส่วนตัวอย่าไปยัดเยียดให้คนอื่นทำตามเรานะครูบาอาจารย์แต่รูปแต่องค์ท่านก็มีเทคนิคของท่านมีอุบายของท่านเราอย่าไปยึดมัน่นถว่าต้องเป็นแบบนี้จึงถูกแบบนั้นมันผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วเอาเป็นว่าอย่าเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะ หจิตคิดอกุศลทําอย่างไรอยากได้อุบายธรรมในการช่วยกําจัดจิตตัวที่คิดอกุศลให้บอบังหรือหมดไปทํากุศลบ่อยๆทวนกระแสกิเลสกิเลสมันทําให้เราคิดอกุศลนะอย่ายไปยุ่งกับมันว่าเฮ้ยมึงอย่าคิดนะเฮ้ย hey, กูไม่ชอบนะมันก็คือเราเราก็คือมันนั่นแหละเผลอปุ๊บมันก็คิดอีก ใช่ไหมอย่าไปยุ่งกับมันปลาเป็นทวนน้ําปลาตายตามน้ําปลาน้ําจืดทำไมเขาไม่เขารู้ว่าต้องทวนกระแสเห็นไหมมันเป็นสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในดรรมชาติเขาจําได้หมายรู้ว่าเขาต้องทวนกระแสมันรู้ได้ยังไงว่ามันตามกระแสออกทะเลมันตายหมดไงเพราะมันไม่ได้ไปโรงเรียนถ้ามันไปโรงเรียนปุ๊บมันจะโง่อองทันทีมันจะถูกสอนให้ตามกระแสเพราะมันกลัวจะไม่ทัน เขาลงเหวก็วิ่งตามเขาตกเหวตายหมดตอนนี้เราตายเราเป็นปลาตายทั้งเป็นเราไม่เป็นเอกเทศเราเป็นธาตุของสังคมวัตถุนิยมทุนนิยมนะเรียนรู้กับปลาน้ําจืดหน่อยหนึ่งปลาทําไมโง่จังทวนกระแสมันเหนื่อยเน่อยตามกระแสลอยเฉยๆนี่ไม่ต้องออกกําลังเลยสบายดีสบายดีเอาเหมือนชั้นน่ะเป็นธาตุเหมือนชั้นออกทะเลมันตายหมดนะปลามันไม่โง่ที่จะทํา มันมีสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอจิตชาติมันจำได้หมายรู้ว่ามันต้องทวนกระแสนี่คือปัญญาโดยธรรมชาตินะเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเราผู้คองเรือนเนี่ยเขาก็กำหนดว่าเราต้องถือสินห้านถือถือหลุดๆดแค่ห้าข้อนะถือถือหลุดๆดใช่ไหมทาสานมันไม่ต้องถือเลย มันมีศีลห้าเต็มเปี่ยมทําไมเราเรียนเรียนยิ่งเรียนก็ยิ่งศีลห้ามันหายไปศีลคือความปกติของจิตไปซื้อเล่าแพงที่สุดในโลกเนี่ยไปให้ทาสารกินมันกินไหมวอู้ยอะไรก็ไม่รู้มันไม่เอาเอาบุหรี่ที่แพงที่สุดในโลกให้มันสูบมันก็อันวู้กูไม่เอาอีกแล้วมันจําเป็นต้องโกหกเราไหมมันพูดภาษาก็ไม่เป็นด้วยมันไม่มีความอยากมันจะไปโกหกเราทำไม แต่ทุกวันนี้เราเรียนไปเรียนมาเรารู้จริงหรือเปล่าเราเป็นแค่คนรู้มากทำลายศีลห้าหมดเลยแล้วต้องมาถือศีลห้านะแต่ไม่ใช่ศีลห้าไม่ดีนะเป็นอุบายวิธีในการกติกาอยู่ร่วมเหมือนจิตเรามันเปื่อนแล้วก็เอาตัวนี้มาเตือนสติอย่าทำนนมันผิดศีลบางคนเนี่ยใช้ภาษาพระครูพูดก็เอาไปตีความเลี่ยงบาลีนะ เอาไปอะไรล่ะไปไปไปเล่นภาษากันอะไรนี่นะไปตีความเข้าข้างกิเลสตัวเองเนี่ยต้องระวังนะฟังก็ฟังให้มันรู้เรื่องที่พวกครูเคยบอกว่าขยันพูดความจริงในทุกๆเรื่องมันเลวร้ายยิ่งกว่าการโกหกในบางเรื่องเพื่อให้ไม่ใช่โกหกเพื่อหลอกลวงไม่ใช่โกหกเพื่อสนองกิเลส คำว่าโกหกตอนนี้เราโกหกจิตเรานะให้มันฝึกสมาธิเพื่อโกหกให้มันสงบนะแต่เราไม่โกหกไม่ใช่หลอกลวงเพื่อเราจะเอาอะไรมันก็บอกว่าพ่อครูบอกโกหกไม่ผิดอย่าไปพูดนะอยู่ที่ว่าโกหกเนี่ยคุณมีเจตนาอะไรถ้ากูอย่างไอคนนี้มันมันถือปืนมันมันวิ่งไล่คู่อริเราเห็นอยู่มันเลี้ยวซ้ายนะ่ย ถ้ามันบอกมันเลี้ยวซ้ายมันมันเร็วมันแค่แคมันมันตายแน่ๆเลยมันก็สร้างกรรมไงเห็นไหมบอกไม่เห็นหรือว่าบอกมันเลี้ยวขวาอย่างนี้นะเพื่อให้มันไม่ต้องไปสร้างกรรมอย่างนี้นะเราโกหกเพื่อให้ไม่ใช่โกหกเพื่อหลอกลวงเพื่อเราจะได้อันนี้ไปไปตะแบงเอาภาษาตัวนี้พูดเพื่อเจ้เองจะได้กิเลสมันจะได้นั้นอันนั้นอย่ากิจกรรมนะเป็นกรรมหนักนะฟังธรรมก็ฟังให้มันครบองค์ะ ก็จิตคิดออกุศลเนื่องจากเรามีกิเลสนั่นละ่ะทีนี้ผู้พุทธเจ้าก็บอกแล้วการชำระกิเลสเนี่ยเราก็ต้องทํากุศล บ, บ่อยๆก็คือการให้ทานใช่ไหมทานนี่คือทําดีศีลนี่คือละชั่วนะถ้าเรารู้ปุ๊บเรามีสติปุ๊บเราก็เลิกคิดตามมันมันก็คิดตามกิเลสแต่ถ้าจิตเรามีสติปุ๊บเราก็อย่าไปคิดตามมัน พยายามฝืนมาหน่อยหนึ่งแต่อย่าไปห้ามมันนะมันมันมันมันเคยคิดมันก็คิดมันคิดตามกิเลสนั่นแหะแต่เรารู้เราก็อย่าไปสนใจมันเดี๋ยวเราไม่สนใจเดี๋ยวมันก็เลิกคิดแต่อันนี้มันแค่ชั่วครู่เราใช้สติรู้เท่าทันมันแค่ชั่วคู่เวลานั้นเรารู้ปุ๊บเราก็ดับได้ชั่วคู่แต่เผลอีกก็คิดอีกเพราะไอ้เชื้อเชื้อที่ทําให้เราคิดอกุศลมันยังอยู่ไงวิธีขัดเก้ามันก็คือทานศีลภาวนาที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ คิดอกุศลคืออยากได้จากคนอื่นอยากจะเบียดเบียนเขาคิดแต่เรื่องเลวไายมากใช่ไหมแล้วก็ทําแต่เรื่องดีสิสวนทางมันไงใช่ไหมละ่ะมันบอกจะเอาฉันไม่เอาฉันจะให้นะฉันจะให้ฝืนมันบ่อยๆแล้วทจนี่ไอ้อกุศลเจนี้มันก็หลอกเราไม่ได้ผู้เจ้าก็บอกแล้วทางพ้นทุกนะแต่ตอนนี้คนที่เห็นว่าตัวเองคิดอกุศล น, นี่ถือว่ามีปัญญาระดับหนึ่ง ดีแล้วที่เราเห็นความจริงนะเมื่อเราเห็นมันจริงๆแล้วนี่เราก็อย่าไปคิดตามมันไม่ต้องไปทําตามมันนะแต่ถ้าเราทําได้แค่นั้นเวลานั้นอ่ะเราก็ไม่สร้างกรรมแต่เราก็ยังไม่พ้นทุก์นะเพราะไอ้เชื้อมันยังอยู่ดับทุกข์ดับที่ต้นเหตุแห่งทุกข์เราต้องเข้าไปในจิตเนี่ยเนี่ยที่เราทําเราขัดเกลามันบ่อยๆแล้วก็มักภายนอกก็ต้องทํำบ่อยๆทํากุศลบ่อยๆนะ ทำสวนสวนทางมันเลยนะเจ็ดจิตวิปลาดคืออะไรจิตวิปลาดคืออะไรเนี่ยคนบ้าที่อยู่โรงพยาบาลโรคจิตนั่นก็จิตวิปลาดคนทุกวันนี้หลงวัตถุนิยม ก็ถือว่าจิตวิปลาสคือมันหลงอะไรนะคือเป็นวิปลาสหมดไปหลงอารมณ์ในจิตบางคนเฮ้ย hey, ฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเกิดจิตวิปลาสอะไรเนี่ยนะมันไม่นั่งมันก็วิปลาสแต่พอมันนั่งแล้วมันเข้าไปในอารมณ์นั้นเป็นกรรมเก่าของมันเนี่ยนะมันก็แสดงอาการขึ้นมาเนี่ยนะ แต่ถ้าเรารู้เท่ามันปุ๊บเราก็รับรู้สิ่งที่เราเคยทํามาแล้วก็เหวี่ยงมันทิ้งแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เราก็ไปหลงมันเนี่ยก็กลายเป็นจิตวิปลาสเหมือนกันไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมเพราเป็นจิตวิปลาสนะไม่ปฏิบัติธรรมเห็นไหมโรงไปบานโลกจิตเต็มไปหมดเลยแล้วทั้งสังคมทุกวันนี้ก็วิปลาสหมดจิตวิปลาสคืออะไรจิตวิปลาสซึ่งสําคัญผิดว่ารูปนามนั้นเที่ยงแท้แน่นอน เรียกว่าจิตวิปลาสทั้งหมดคนที่หลงตัวกูเนี่ยแล้วยึดมั่นถือมั่นมันเที่ยงแท้แน่นอนนี่คือเรียกว่าจิตวิปลาสก็ไม่ได้ผิดเป็นวิปลาสอย่างยิ่งเพราะไอ้ตัวที่เราหลงติดตัวนี้แล้วก็สร้างกรรมใหม่แล้วก็เราตายแล้วไม่จบนะมันก็ตามเราให้ไปวิปลาสใ น, อ น, อ, นอนาคตชาติเกิดมาวันแรกก็แหกปากลองนะ ก็หลายปีก่อนมีรัฐมนตรีสาธารณสุขคณะใหญ่มากมาเยี่ยมพ่อคูหลังจากพวกวกว่อครูบรรยายแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอยู่ในกรมโลกจิตก็ยกมือถามพ่อกูว่าเห็นบอกปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยเกิดแบบจิตวิปลาสพวกวกว่อครูถามว่าเหมือนคนเป็นบ้านถามว่ามีใครบ้างไม่บ้างชาวเขาเขาถือผีถือสาง เราหาว่าพวกนี้มันหลงงมงายพวกบ้าแต่ชาวเราถือศักดิ์ถือศีลแย่งกันถือลาบยศสรรเสริญทะเลาะ ก, กันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่บ้าแต่ชาวเขาเขากลัวผิดผีเขาก็ไม่ทำชั่วเขาก็อยู่อย่างสันติเสรีโดยไม่ต้องมีตำรวจถามว่าใครบ้ากว่ากันเยอะมันบ้าคนละอย่างนี่แหละจิตวิปลาสถ้าจิตดวงไหนเนี่ย ซึ่งสําคัญผิดว่ารูปนามนั้นเที่ยงแท้แน่นอนถือว่าเป็นจิตวิปลาสทั้งหมดเหมือนเราเข้าไปในจิตในจิตโอ้เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากเที่ยวเดินไปทั้งศ า, าลารอบศูนย์เลยเนี่ยให้พลังไม่พอเดินไปโปรดชาวบ้านทั้งหมดเพราะครูเตือนสามครั้งไม่มีศรัทธาไงเรื่องอะไรจะเวี่ยงทิง้ง เห็นไหมเราก็ไปหลงข้างนอกก็วิปลาดอยู่แล้วข้างนอกก็หลงอีกแบบหนึ่งแต่ข้างในก็หลงอีกแบบหนึ่งหลงอะไรก็คือวิปลาดแต่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะแล้วก็กลัวว่าฉันไม่กล้าปฏิบัติเธอไม่ปฏิบัติเธอวิปลาดอยู่แล้วไงเธอยึดมั่นถือมั่นกับรูปนมามว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนไงถ้าเธอไม่ยอมปฏิบัติแล้วเธอไม่มีวันหายวิปลาดแต่ปฏิบัติแล้ว มันกรรมของเธอยังไม่หมดมันก็เกิดอาการวิปลาสแล้วทุกบอกเวียงทิ้งไงแต่ไม่เวียงไงไปหลงในความยิ่งใหญ่นั้น น, ะนี่ถ้าครูบาอาจารย์เตือนแล้วไม่ฟังเนี่ยนะตอนนี้ส่งออกส่งออกคิดแต่เรื่องคนอื่นมันเอาเมตามาหลอกเราว่าโอ้ยเมตตาเขาเมตตาไปช่วยเหลือเขามันแฝงด้วยอามิตรอยู่ในนั้นนะอันนั้นจิตวิปลาสเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้บางทีครูบาอาจารย์เนี่ย ท่านมองไปเห็นหมดท่านเตือนแล้วถ้าเราศรัทธาท่านเนี่ยมันก็เป็ น, ปนการเตือนสติเราก็มาพิจารณาตัวเองอันนี้เรื่องในฉันจะฟังโอ้วิเศษมากเลยฉันมีความสุขมากเลยฉันยิ่งใหญ่มากเลยไเตือนบอกว่าเหวี่ยงทิ้งอย่ายไปติดมันะไม่ฟังไงเนี่ยไปข้างในก็วิปลาดได้อยู่ข้างนอกคนไม่ปฏิบัติธรรมเลยทำไมคนบ้าเต็มโรงพยาบาล อันนั้นวิปราสอย่างหนึ่งนะแต่บางดีคนบ้าแบบนั้นมันไม่ทุกนะมันไม่ทุกนะมันดีสลามากนะมันใช้นี่กับแต่คนบ้าที่มีสติเราคิดว่าเรามีสติเนี่ยทําให้ตัวเองเครียดมากเลยนี่เป็นวิปราสอย่างยิ่งเราอยากหายเป็นจิตวิปราสเนี่ยเราต้องมาสาสางของเราคือฟังพระพุทธเจ้าที่เราโลภมากๆ เอาเปรียบคนอื่นสร้างกรรมเรื่อยๆ เ, เนี่ยกรรมจตุปาฏยานยานรู้ว่าได้การเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมกรรมเป็นตัวกําหนดมันน่ากลัวไหมก็จิตวิปลาสเท่านั้นมันถึงไปสร้างกรรมไงเอาเป็นว่าคําว่าจิตวิปลาสคือแปล ง, ง่ายๆก็คือว่าซึ่งสําคัญผิดว่ารูปนามนั้นเที่ยงแท้แน่นอนก็ตัวกูของกูฉันจะดํารงรักษามันไว้ นะเหมือนมันไม่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะอันนี้ทุกแน่ๆเมื่อมันเปลี่ยนแปงแลงเราเราก็ทุกไง น, นะแล้วก็จิตวิปลาสเราหลงตัวเองเราก็ไปเบียดเบียนคนอื่นไปรังแกคนอื่นมันก็สร้างกรรมใหม่กรรมมันก็ส่งผลกรรมนะคำว่าจิตวิปลาสเนี่ยก็คือ น, นี่แหละเราไปหลงว่ารูปนามมันเที่ยงแท้แน่นอนมันไปทวนกระแสะกับความเป็นจริงตามธรรมชาติซึ่งมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกคนต้องดูตัวเองนะเพวกครูเนี่ยถ้ามันไม่มีเมตตาจริงๆแล้วเนี่ยมันเหนื่อยที่จะพูดแล้วมันเห็นโลกใบนี้เนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายมากถ้ามันมีใจนะมันอะไรละ่ะมันขาดใจตายไปตั้งนานแล้วบังเ อ, อิญมันระเบิดใจทิ้งหมดแล้วละ่ะที่พูดบ้างนี่มาถึงว่าอดทนพูดนะแต่คนที่ยังอยู่ในใจอยู่ฟังปุ๊บก็น้อยใจ นะถ้าพูดเยินยอนหน่อยก็ดีใจแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็อยู่กับใจไงอยู่ที่เวทนาไงมันก็อยู่แค่เวทนาไงใช่ไหมแล้วก็สร้างกรรมตลอดเนาะเอาเป็นว่าถ้าเราไปหลงว่าทุกอย่างมันเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยนะ แล้วไปหลงว่าตัวกูคือของกูจริงๆเนี่ยนะถือว่าเป็นจิตวิปลาสคําว่าหลงเนี่ยก็ทําให้เกิดวิปลาสนะที่นี่24ปีพรอครูมีประสบการณ์เจอมาเยอะตอนนี้ไม่ใช่ประเทศนะเธอมาปุ๊บเธอขอวีซ่าหรื อ, อยังประเมินหรือยังตรวจสอบหรื อ, อยังว่ากันกองหรื อ, อยังไม่ที่นี่ใครมาก็ได้ไงแต่ถ้าว่ามาโดยไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ย เมื่อเราเข้าไปสู่จิตในจิตแล้วเนี่ยอย่าคิดว่าปลอดภัยนะเราเข้าไปสู่วิปัสนาแล้วโอ้ช้าลใจว่ามันไปทางสายวิปัสนาแล้วปลอดภัยในวิปัสนานั้นมีวิปัสณูกิเลสไม่มีอะไรเราดีเนี่ยมันก็มีดีมันก็มีไม่ดีของคู่กันแต่ถ้าไม่มีของคู่แล้วเราจะศึกษากับใครล่ะเราไปใจนี่กรรมเห็นไหมเห็นไหมบางคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะ อยู่ๆมันเสียใจทีหนึ่งเนี่ยปุ๊บกลายเป็นคนบ้าเลยมันก็เป็นรับกรรมของมันไงเห็นไหมไม่ใช่ว่าต้องมาปฏิบัติธรรมแล้วเกิดอาการแบบนี้แต่อาการแบบนี้เนี่ยถ้าถ้าเข้าใจเข้าศรัทธาแล้วนะเขาฟังครูบาอาจารย์บ้างเนี่ยแล้วเขายอมเบี่ยงทิ้งไม่วันสองวันสามวันเดี๋ยวมันก็ออกมันก็ผ่านแต่ตอนนี้เขาไม่มีพื้นฐานศรัทธาเลยเรื่องอะไรฉันจะเบี่ยงทิ้ง จิตมันไปหลงไงเพราะจิตปัจจุบันมันยังมีกิเลสอยู่และจิตอดีตไม่ใช่เชื่อร้อยเที่พวกคูกบอกจะเชื่อจิตจะไปเชื่อใจนั้นคือขั้นตอนแรกเพราะไอ้ใจมันกลัวมากแต่เมื่อเข้าไปได้แล้วเนี่ยจิตก็ไม่ต้องเชื่ออะไรเกิดขึ้นเหวี่ยงทิ้งทั้งหมดก็คือเรามีหน้าที่ขัดเกลาจิตให้ป่องไสไม่ใช่ของดีฉันไม่เหวี่ยงกอดมันไว้เห็นไหมเวียงเฉพาะของไม่ดีนั่นแหละเราก็ยังติดเรื่องดีไม่ดีอยู่ ลรามีหน้าที่ขัดเก่าอย่างเดียวแม่มีหน้าที่ถูสาลาก็ถูไปไม่ใช่ไปวิจัยให้เม็ดนี่มันเปื้อนเพราะอะไรฉันอยากรู้ฉันจะเลยรู้ที่มาของมันแนละ้วต่อไปจะป้องกันพอเอาไปห้องแแบบวิจัยปุ๊บมันเป็นน้ําหมึกนะต่อไปขึ้นป้ายห้ามเอาน้ำหมึกเข้ามาแล้วก็ถูไปอีกเห็นอีกเม็ดหนึง่งเอาไปวิจัยอีกไปเข้าห้องแแบบอีกมันเป็นเพราะอะไรสีขึ้นป้ายอีกห้ามสีนําเข้ามานะ มัวแต่วิจัยอยู่นั้นถามว่าสาลานิชาตินี้มันสะอาดหรือเปล่าตายก่อนเรามีหน้าที่ขัดเกลีอย่างเดียวพระเจ้าบอกทําดีละชั่วขัดเกลีจิตให้ผ่องใสไม่ได้สอนให้เราต้องรู้มากรู้ว่ามันเปื้อนเอาความเปื้อนออกมันก็สะอาดอุ้ยไม่ได้ต้องรู้ที่มาของความเปื้อนคุณสามารถรู้เรื่องทั้งโลกนี้ได้หรือเปล่าตายก่อน เราไปติดบ่วงเรื่องอยากรู้นั่นแหละไม่มีอะไรให้รู้ถึงจะเป็นน้ำหมึกเป็นสีอะไรก็ช่างแล้วคุณพิจารณาด้วยเออสีมันจากทำจากอะไรน้ำหมึกทาอะไรเจาะลึกไปส่วนะส์ของมันสุดท้ายมันก็เป็นอนัตตาถามว่าคุณอยากรู้อะไรเลยไม่มีอะไรให้รู้มันเป็นอนิจจังทุกอนัตตาเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งก็คือปัดมันออกเมื่อมันสะอาดแล้ว มันเกิดปัญญาจากการรู้แจ้งโอ้ความสะอาดมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมแค่เอาความสกรปรกออกเท่านั้นเองแค่นี้ก็บรรลุธรรมละปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงว่าอะไรก็ไม่ใช่ความสะอาดไม่ได้เกิดขึ้นจากเราไปเพิ่มความรู้ไปเพิ่มวิชาการไปเพิ่มตัวสะอาดมาใส่นะความสะอาดเกิดขึ้นจากเราความสกรปรกออกเท่านั้นเองนี่คือคาสอนพระเจ้าลดละเลิก พระพุทธองค์ไม่ได้บอกให้เราเพิ่มแม้แต่อะไรหนึ่งอย่างไม่มีทานเนี่ยตอนนี้เราทำบุญนะทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานทานคือจาคะคือสลัดออกไม่ใช่ไปเพิ่มบุญตอนนี้ก็สอนเราสะสมบุญจดไว้เยอะๆนะจดไว้ก็ไปนั่งปื้มปิติดีใจอู้ฉันทำบุญว่าแล้วสอนเราด้วยวันที่จะตายเนี่ยคิดถึงบุญที่เธอสร้างมาไอ้บุญใหญ่ที่สุดนะอันนั้นสวรรค์สมบัติ เทวดาทุกข์มากที่ต้องเสพสุขไม่จำเป็นอย่าขึ้นไปอีกนะเราเสียเวลาหลายรอบแล้วนั่นสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติยังอยู่ในวัฏฏะสงสารมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าชีช้ทางให้เราเข้าสู่อริยะสมบัติขั้นต่ำสุดคือโสดาปติมัคจนถึงอรหัตผลสี่คู่แปดบุรุษเป็นสมควรแก่สักการะและบูชา ตอนนี้ไปติดบ่วงเรื่องข้อผิดย่อยเอาอุบายวิธีมาเพื่อให้จงคนคนอยากทำบุญไปซื้อบุญไปติดบุญทำบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญบุญคือเบาบาปคือหนักบุญคือสลัดออกแล้วยกพวกเขาออกจากอกมันก็เบาได้ทันทีนั่นคือขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเมื่อเราทำลายความโลคความตนันนีความทะยานอยากมันก็อ่อนลงการสร้างกรรมก็อ่อนลงนี่คืออุบายวิธีที่แยบยนต์มาก เป็นส่วนหนึ่งของการขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแต่ตอนนี้เราทำบุญแบบมีเงื่อนไขทำบุญแล้วฉันสบายใจฉันทำถ้าทำแม้ฉันไม่สบายใจฉันไม่ทำเรายังมีอามิตรอยู่อันนั้นเราไม่ได้ทำบุญหรอกเราซื้อความสุขใจความสบายใจเราสนองกิเลสเราเหมือนกันทำบุญคือสลัดออกสลัดออกสลัดออกทำลายความโลคความตนีมันก็เบา นะอันนี้อันนี้นี่ให้เข้าใจนะก็คําว่าวิวปปลาสเนี่ยง่ายๆก็คือว่าถ้าเราสําคัญผิดว่ารูปนามเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนั่นแหละคือวิปปลาสหมดรูปนามมันเกิดดับเร็วมากถ้าเราไม่มีสติที่เร็วกว่าเนี่ยเราไม่ทันหรอกอย่างพระเอกเนี่ยในหนังเนี่ยกับกับผู้ไายนะ่ะผู้ไล่ยิงพระเอกปั้ง นะเราเห็นภาพเดียวว่าผู้ไลายิงพระเอกในขณะที่ผู้ไลายิงพระเอกนี่มันมีหลายๆลายร้อยภาพมันซ้อนกันอยู่มันเกิดดๆๆๆ ith, ับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตัวสันติตัวสืบเนื่องของการเวลาระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตนี่มันเร็วมากมันเหมือนพลังงานอย่างหนึ่งทำให้รูปนามมันทำหน้าที่และอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ๆแล้วมันเซมิ enta ขวาเซมิ e n t ซ้าย หัวใจเต้นปุ๊บปุ๊บชีพจรตรงนี้ก็เต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บบางทีมันวิ่งไปทั่วร่างกายเลยเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาเอ็กซเลย์ยังไงก็ไม่รู้ก็จับต้องมันไม่ได้มันไม่มีตัวตนถ้าถามว่าพลังตรงนี้เรียกว่าอะไรมันเป็นพลังงานของจิตเป็นตัวสรรสติอย่างหนึ่งเวลาจิตมันจะตายแล้วมันออกจากร่างเหมือนจรวดเนี่ยจะไปดาวอังคารเนี่ยมันต้องมีพลังงานมีพลังงานดันมันขึ้นไปบางทีก็ระเบิดกางอากาศวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่นี่มันดันจิตให้เราข้ามพบข้ามชาติไอ้พลังงานตัวนี้เนี่ยมันสามารถส่งให้เราไปละลึกชาติได้มันส่งให้เราไปดูอนาคตได้นี่เป็นพลังงานตามธรรมาชาติอันนี้ดับไม่ได้และไอ้ตัวนี้แหละทำให้เราไม่เห็นอ น, นิจจังเห็นความไม่เที่ยงเพราะมันเร็วมากรูปนาเกิดดับมันเร็วมากเราเห็นมันเกิดปุ๊บเราไม่เห็นมันดับเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณปรุงไปเลยถ้าเราไม่มีสติที่เร็วกว่า เหมือนเราไปฝึกสมรรถะกดมือนไว้เหมือนเรายิงเป้าบินเออปินเป้านิ่งเข้าค่ายพรายิงเป้ายิงเป้าแม่นปืนแม่นปืนแม่นปืนนะเพราะเรายังมีเวลาทําสมาธิเล็งอยู่ยิงผิดยิงใหม่ได้เพราะว่ายิงใหม่ได้เพราะเป้ามันยังอยู่ไงแต่รูปนามมันไม่ใช่เป้านิ่งมันเหมือนเหมือนเป้าบินน่ยมันเกิดดับเร็วมากเฮ้ยใครยิงมาเสียอะไรคิดทันไหมตกแล้วแล้วบางทีรูปนามไม่ใช่แค่เป้าเดียวมันมาทีหนึ่งสิบเป้าเลย ถ้าเราไม่เร็วกว่าเนี่ยเราไม่ทันมันสันสติคือตัวสืบเนื่องของการเวลาระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตพลังงานตรงนี้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติดับไม่ได้และไอตัวนี้แหละทำให้เราไม่เห็นความไม่เที่ยงเราเลยมองว่าทุกอย่างมันเที่ยงแท้แน่นอนอั น, นิจจังกั้นบงังไม่ใช่สันสติกั้นบงังอั น, นิจจังส่วนอริยบทกั้นบังทุกขัง เราอยู่ในเมืองอากาศร้อนเปิดแอร์เปลี่ยนอาลียนบใหม่เปิดแอร์มันนั่งอยู่เบื่อไปเดินเล่นมันกําลังจะเบื่อมันกำลังจะทุกข์นี่ฉันหนีมันฉันก็ไปเดินเล่นพอเดินไปเดินมาแดดมันร้อนมันช้าขึ้นรถยนต์ตอนนี้รถยนต์นี่ยยี่ห้อนั้นยี่ห้อ น, นี้แข่งกันเร็วยังไม่พอนั่งเครื่องบินมนุษย์เราหนีทุกข์ตลอดเราจึงไม่เห็นทุกข์เราเปลี่ยนอรลียบทตลอดพระเจ้าถึงสอนให้เราเนี่ยมาดูอรลยบบท มานั่งเฉยๆดูสิเห็นไหมนั่งเฉยๆนี่ยากมากกิเลสเราไม่ชอบเราก็เห็นกิเลสเราแล้วไงเห็นไหมเราไม่เปลี่ยนอริยบทมันเบือ่อฉันไม่เปลี่ยนเราก็เห็นความเบือ่อความเบื่อนั้นเราก็เห็นความจริงว่าเราขี้เบือ่อเรามีขี้อย่างหนึ่งแล้วเบื่อผม ก, ก็คิดอีกมานั่งทําไมไม่รู้เสียเวลาไปเที่ยวดีกว่าไปทํางานดีกว่ายังได้เงินเนี่ย นะขี้งุนยิดอีกแล้วเรามีขี้ที่สองแล้วเรานั่งไปนั่งมาเราจะเห็นเลย ว, ว่าในตัวเรานี่สิ่งปฏิกูลเยอะมากขี้เยอะมากที่เขาไปนั่งดูอัศวะนั่นมันเป็นแค่กายภาพนะดูสิบท่าอาัศวะสิบอันนั้นไปนั่งดูแล้วก็จินตนาการแล้วมาดูว่าเออของเราก็เหมือนเขานี่นะก็เกิดสังเวชทําให้เกิดเวทนาเท่านั้นเองนะดูอสุภะนะีอันนี้ไม่ต้องหรอก เรามีขี้รูปกับขี้นานะขี้รูปประทันั่นเริ่มจากสูงสุดคือขี้หัวขี้ลังแคลงมาหน่อยขี้ตาขี้มูกขี้หูขี้ฟันเห็นไ้มขี้เต็มไปหมดเลยขี้ใครขี้กากขี้เกื่อนขี้รูปประทัเหล่านี้เนี่ยรักษาด้วยสบู่ด้วยน้ำด้วยยาขี้กากขี้เกื่อน แต่ขี้นามมาทำไม่มียารักษานอกจากบริโพกยาพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะโอสถที่โกรธขี้หลงนะขี้โลภที่อิจฉาขี่กลัวขี้เกียดขี้ค้านขี้กังวลขี้อิจฉาที่พวกนี้ไม่มียาวิเศษใดรักษาหมออย่างมากก็ฉีดยาสลบกินยานอนหลับ เพื่อไม่ให้มันรู้สึกพอมันตื่นขึ้นมามันก็เอาอีกไม่ได้เก่งเท่าไหร่หรอกพระบุตรเจ้ายิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่จนที่พวกครูเนี่ยเลิกนับถือพระบุธรเจ้าทันทียี่สิบห้าปีก่อนเพราะคำว่านับถือนี่มันหยาบไปบูชาถวายชีวิตพระองค์อันนี้ไม่ใช่พูดเฉยๆยี่ห้าปีก็ทำอย่างนี้ตลอด ทว่าบางคนนะพ่อครูเอ่ยปากหน่อยหนึ่งเนี่ยจงจำไว้ว่าพ่อครูไม่มีอคติกับใครจิตดวงนี้มันไม่งโง่ที่จะสร้างกรรมใหม่สิ่งที่เป่งออกมาเนี่ยออกมาจากกุศลละจิตเป็นความหวังดีเป็นการเตือนสตินะฟังแล้วรู้สึกไม่พอใจ มันไม่ไ ม, ไม่ความไม่พอใจหรือเสียใจหรือน้อยใจมันเกิดที่ตรงไหนก็แก้ที่ตรงนั้นมันอยู่ที่ใจเราเราต้องแก้ตรงนั้นไม่งั้นเราเสียเวลาชีวิตนะก็วันนี้ก็เล่งรัดดีพอสมควรนะก็หมดคำถามทั้งหมดแล้วเมื่อกี้นี่พ่อครูพูดเรื่องสันสติ เป็นตัวกั้นบังทำให้เราไม่เห็นอันนี้จังคือความไม่เที่ยงความเกิดดับของมันมันเร็วมากเพราะตัวสัญจติเนี่ยมันเร็วมากมันทำให้เราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของรูปนามส่วนอริยบทเนี่ยทำให้เราไม่เห็นทุก นั่ะมีคำถามว่าเราทุกอยู่แล้วทําไมนั่งแล้วใจิตมันทําให้เราทุกอีกอาเจียนกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยเราทุกแต่ยังไม่เห็นทุกชัดเจนเพราะชีวิตเราเนี่ยพอทุกปุ๊บฉันก็ไปกินเหล้าฉันก็ไปเที่ยวเตเราเปลี่ยนในยวชนใหม่เพราะกบเพื่อนความทุกเราทุกแต่ยังไม่เห็นทุกชัดเจนตอนนี้จิตมันทําให้เราเห็นทุกไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรมเรามีทุกเป็นประธานนะ อริยบทกั้นบังทุกขงังชีวิตเราหนีทุกตลอดเราไม่เฟซมันคล้ายๆว่าเราไม่ยอมรับความจริงไม่รู้เท่าทันความทุกข์ทุกขังนี่มันไม่ใช่ตัวตรงกันข้ามกับความสุขนะคำว่าทุกขังตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องความสุขกับทุกไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ของคู่ทุกขังตัวนี้หมายถึงดำลงอยู่ได้ยาก เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาทีนี้ไอ้ตัวสุดท้ายนี่สําคัญมากแล้วอะไรที่กั้นบังทําให้เราไม่เห็นอนัตตาคณะสัญญากั้นบังอนัตตาเราบันทึกหนึ่งสัญญาชื่อบัญชานี่ก็หนึ่งสัญญาแล้วมันเป็นชื่อกลางๆถ้าเราจะไปหลงมันก็ไม่ผิดอะไรแต่มีกี่คนไม่หลงล่ะก็ไปติดว่าฉันเป็นบัญชาฉันชื่อบัญชา พอเขาเรียกว่าบัญชรเฮ้ยเรียกผิดฉันเป็นบัญชาเราเป็นบัญชาแล้วเป็นอัตตาแล้วนี่พ่อหนะ้านี้แม่นะนี่รวยนะเงินนะนี่ความสุขเป็นอย่างนี้ความรู้วิทยาศาสตร์ความรู้อะไรๆอย่างเงี้ยความรู้เป็นหนึ่งสัญญาหลายๆสัญญาก็บวงเป็นหนก้อนกลายเป็นเป็นอัตตาไอตัวนี้แหละเป็นตัวกั้นบังให้เราเข้าไม่ถึงอนัตตาไม่ต้องโทษใครเราสร้างขึ้นมาเองทั้งหมด พระพุทธเจ้าถึงไปเห็นสิ่งนี้ถึงบอกให้เราขัดเกาจิตให้ผ่องใสมันเปื้อนด้วยความรู้ผิดนี่คืออาวิชาทั้งสิ้นความรู้ใดที่แฝงด้วยโลภโกรธหลงเนี่ยตอนนี้เขาไปแปลอาวิชาแปลว่าความไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นความโง่อย่างยิ่งทุกคนกลัวโง่ามากักเลียนเลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนแข่งกัจนจะจบด็อกเตอร์จบแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องถ้าคุณรู้จริงน่ยคุณไปทะเลาะกันทําไม อันนี้ไม่รู้จริงอันนี้รู้มากและนี่คือความรู้ซึ่งเป็นอวิชาแล้วอวิชาคือความรู้ผิดไม่ได้แปลว่าความไม่รู้เพราะครูเคยปรึกษาผู้รู้นะเรียนจบสูงสุดในทางศาสนาเราแล้วเนี่ยเป็นเลกเปลี่ยนกับท่านเพราะครูถามว่าอาวิชาแปลว่าความไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะไรในตำราเขาเขียนบอกไม่รู้อรยสัตสี่ไม่รู้ปฏิสบุตบาทไม่รู้กฎแห่งกรรม ถ้าเราแปลว่าอาวิชาคือความไม่รู้คือไม่รู้วิชาซะคือคือคือไม่รู้เหล่านี้ก็แสดงว่าคุณมีความคุณมีความไม่มีคือในแง่ไวยากรณ์มันก็ผิดแล้วถ้าไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิสบุตรบาทไม่รู้กฎแห่งกรรมน่าจะบอกว่าเธอไม่รู้วิชามากกว่าเธอไม่มีวิชาวิชาช่ช้างสองตัว เหมือนทาซานเนี่ยพากครูบอกทาซานเนี่ยไม่มีเหยาววิชาทาซานหิวก็กินง่วงก็นอนทาซานไม่ไม่ได้อยากได้รถเบนซ์รถโตโยตา้ารถอะไรหรอกเพราะมันไม่รู้เพราะมันไม่รู้ผิดแต่ทาซานก็ไม่รู้วิชาผลทุกข์ด้วยมันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างหนึง่งใช้นี่กรรมไปอย่างเดียวแต่เขากำไรชาติหนึ่ง เขามาใช้นีิกรรมชาตินี้แต่พวกเราเนี่ยมาปรุงแต่งพัฒนาความรู้ใส่เข้าไปเยอะๆบังเอิญความรู้นะมันแฝงด้วยการแข่งขันการยื้อแย่งการเอารัดเอาเปรียบมันเป็นความรู้ซึ่งเป็นตอนนี้เขาพูดหน้าตาเฉยนะทุนนิยมบอกเพิ่มอาวุธทางปัญญาเพราะครูถามว่าคุณจะเอาไปฆ่าใครเลยเอามาทําลายมนุษย์ด้วยกันเองแค่คิดเฉยๆก็เป็นมโนกรรมแล้วและวไม่ใช่แค่คิดเฉยๆนะมันพูดจริงๆด้วย แล้วมันทําจริงๆด้วยพูดหน้าตาเฉยอะไเพิ่มอาวุธทางปัญญาแล้วคุณคุณจะเอาไปทไําไงทําเพื่อผลทุกข์ไม่ใช่เพิ่มเทคโนโลยีเพื่อเอาเปรียบศัตรูเอาเปรียบคู่ต่อสู้ไเห็นไหมอาวุธก็หมายถึงอะไรนะมาฟาดฟันกันไงแต่ทุนนิยมเขาพูดหน้าตาเฉยนี่คืออาวิชาความรู้คนน่ะทำให้คุณสร้างกรรมใหม่ แต่ถ้าคุณรู้วิชาพุทธเจ้าวิชาชอช้างสองตัวนะคุณจะเกิดปัญญาทำให้คุณพ้นทุกได้เราน่าจะบอกว่าคุณไม่รู้วิชามากกว่าคุณมีเอาวิชาเอาวิชาถูกแล้วมีเอาวิชานี่ถูกแล้วแต่ว่าแปรถูกไหมคุณมีความรู้ผิดอันนี้ชัดเจน คุณมีความไม่รู้ไม่รู้คือไม่มีคุณมีความไม่มีในแง่วยากรมันขัดแย้งกันอยู่แล้วนี่แหละคูเจ้าที่บอกอย่าพึ่งเชื่อตำราภาษามันเปล่งมาปึ๊บใช่ไหมเขาสังญาณาพระไตรปิฎกมาหลายหลายหลายครั้งอันนี้จากบาลีก็แปลเป็นไทยอีกแปลเป็นไทยไอ้รุ่นเก่านี้รุ่นเก่ า, ร เ, กาเราเต่าล้านปีในที่นี่นะ ร้อยเล่มนะวันดีคืนดีเขาก็ไปเปลี่ยนให้มันด้วยสี่สบห้าเล่มวันดีคืนดีก็ย่อลองมาเหลือเล่มหนึ่งกระบอกเป็นพุทธวจนะของพุทธเจนะ้าเล่ ม, มอื่นไม่ใช่ไปกันใหญ่แล้วมันชวนทางกับพุทธเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อตําลาตําราเนี่ยดูแค่สังเกตเหมือนเราดูแผนที่เราจะมาศูนย์บาลาน่อยแล้วก็ต้องดูว่าเออมีกี่เส้นทางมาเออรู้ปุ๊บเราก็หาทางเดินทางมา เราทั้งรู้ว่าศูนย์พระลานคอยเป็นยังไงหมแต่ไปท่องจำท่องจาท่องจําแล้วก็ไปตีความขัดแย้งกันทุกวันเนี้นะมันเสียเวลาชีวิตนะสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้นั่นคือความจริงแต่สิ่งที่พระองค์เปล่งออกมาเป็นภาษาเนี่เป็นแค่ภาษาแล้วภาษาหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งผู้เจ้าตรัสรู้แต่พระองค์ใช้หลักภาษามาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต เห็นธรรมคือเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธแล้วเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งที่พระเจ้าตัดสู้อยากสิ่งนั้นที่พระองค์ต้องการให้เรารู้นั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้ต้องไปสัมผัสเองพระเจ้าบอกอย่าพึ่งเชื่อตำราไงพูดไม่หมดเลยลอกไม่หมดเลยแต่ตอนนี้เราเอาตำรามาอวดกันเอาความรู้ตามตำราเนี่ยมาถกกันว่าใครรู้มากกว่ากัน